อาได้เวลานะครับเดี๋ยวฟังทมต่อไปนะครับช่วงบ่ายของวันนี้ก็ได้พูดถึงเหตุให้เกิดอวิชชาแล้วก็เหตุให้เกิดวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจอวิชชานี้ก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามีตอนมันเกิดขึ้นเกิดเพราะเงื่อนไข เพราะปัจจัยเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเหมือนกันฉะนั้นอวิชชาเราก็เลยสามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะละมันได้ละคือทำให้มันไม่เกิดอีกไม่มีอีกต่อไปได้นะเพราะมันก็เป็นของไม่มีตัวตนเหมือนกันเช่นความมืดนี่มันเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของไม่จริงที่มันมีความมืดก็เพราะว่ามันไม่สว่างเท่านั้นเองถ้ามีความสว่างขึ้นมาแล้ว ความมืดก็หายไปนี่มันเป็นอย่างนี้หมายความว่าความมืดมันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีตามเงื่อนไขนั่นเองนะอย่างนี้อวิชาก็ไม่ใช่มีอยู่จริงเช่นเดียวกันแต่ก็มีจริงมีเมื่อมันเกิดมันก็เกิดตามเงื่อนไขตามปัจจัยถ้าเงื่อนไขมันหมดเงื่อนไขมันไม่มีอวิชามันก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปทีนี้คําว่าดับดับน่ไม่ใช่มันหายเงียบไป ไม่ใช่ว่าอาวิชชาเกิดและอวิชชาดับไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าดับคือไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันมีขึ้นวิธีจะดับมันด้วยวิธีนี้ก็คือต้องไปสร้างฝ่ายตรงข้ามมันขึ้นมาฝ่ายตรงข้ามชนิดที่มันจะไม่เกิดได้อย่างแท้จริงถ้าพูดถึงอวิชชาจะไม่เกิดก็เมื่อมีวิชาเกิดขึ้นนะอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ เราก็ต้องไปสร้างความรู้อริยสัจให้มีขึ้นถ้ารู้ว่าทุกสิ่งเป็นอริยสัจและรู้สัจธรรมและความไม่รู้มันก็ไม่เกิดแล้วเพราะมันรู้แล้วนั่นเองอย่างนี้ทํานองนี้นะครับนี่ก็พูดให้ฟังทีนี้ก็ย้อนลงมาถึงเงื่อนไขปัจจัยเพราะว่าในตอนปฏิบัติตอนที่เรายังไม่ได้มีวิชายังไม่มีมรรคก็ยังกําลังประกอบอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้องค์ธรรมหรือว่าคุณสมบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปเพราะถ้าเราไม่รู้คุณสมบัติไม่รู้วิธีการเราก็ไปทาทานบ้างรักษาศีลบ้างบาเพ็ญสมาธิบ้างโดยคิดว่ามันจะถูกแต่ว่ามันดันไม่ถูกเทนี่มันก็ถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่จะเกิดวิชาขึ้นนะอย่างนี้เราก็ต้องรู้วิธีให้ดีๆนะผมก็เลยได้มาพูดให้ฟังในช่วงบ่ายนี้พูดแบบ ย, อยอ่อๆเป็นหลักวิชาไว้ ท่านก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมนะที่พูดขึ้นมาเพื่อให้นําไปใช้ในการปฏิบัตินั่นแหละเป็นหลักนะวิ ช, ชามันก็เกิดเพราะเงื่อนไขคือนิวรห่านะอย่างนี้ส่วนวิ ช, ชามันก็มีเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเหมือนกันวิ ช, ชามันจะเกิดขึ้นเมื่อมีมรรคแปมารวมกันมันก็จะเกิดวิ ช, ชาขึ้นเห็นสัจธรรมทั้ง4ี่พร้อมกันเลยทีเดียวทีนี้วิ ช, ชาจะเกิดขึ้นก็เพราะ พชดชงเจ็เราต้องมีองค์ประกอบของพอชงนะฉะนั้นในตอนปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดถึงเราไม่พูดรายละเอียดพื้นฐานย่อยๆซึ่งต้องมีอีกเยอะแยะนะทั้งหมดทั้งมวลเราก็มาฝึกเพื่อให้มีคุณสมบัติสาหรับการตรัสรู้นั่นแหละคือฝึกให้ถึงพชชงเจนั่นเองนะถ้ามีพชชงเจ็พวกนิวรมันก็จะไม่เกิดมกไม่มีอวิชชามันก็จะไม่มีแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งมักมันเกิดอวิชชาก็จะดับสนิทไป นี่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นสําหรับในการปฏิบัติแล้วเราจึงต้องมาสร้างองค์ประกอบของการตรัสรู้ขึ้นมาซึ่งมีตัวหลักๆอยู่3มตัวเป็นพื้นนะแต่ถ้าให้ครบก็มรรคนั่นแหละอย่างที่พูดบ่อยๆนะทั้งทานทาั้งศีลทั้งอื่นๆก็ต้องรวมเข้ามาหมดแต่เราต้องรู้ตัวหลักให้ดีดนะตัวที่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่เป็นฝ่ายโพธิฝ่ายปัญญาตรัสรู้ ก็มีสติสัมโพชงเนี่ยต้องมีสติให้ดีต้องมีสติมีความรู้ตัวตื่นตัวเนี่ยที่ให้ทุกท่านได้เดินเนี่ยก็เพื่อจะได้ตื่นตัวจริงๆแล้วจะเดินหรือไม่เดินก็ได้ขอให้นั่งก็ให้ตื่นตัวรู้ตัวว่านั่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่นะนั่งทําอะไรนั่งฟังธรรมธรรมเพื่ออะไรอย่างไรนะให้มันชัดเจนในวัตถุประสงค์ก็คือต้องรู้ตัว อย่าทำแบบหลงหลงลืมลืมหลับๆตื่นตื่นอย่างพวกเราเรานี้ทำแบบหลับๆลับใช่ไหมฟังธรรมก็พอจะเริ่มตื่นบ้างนะบางท่านก็ขนาดมาฟังธรรมยังหลับอยู่ขนาดรักษาศีลหรือไปทำทานก็ทำแบบคนหลับหลับทำสมาธิก็ทำแบบคนหลับหลับทำแบบเอาความสุขอันนี้ก็เรียกว่าทำแบบหลับตาทำแต่หลับตาในทางธรรมะก็คือทำแบบเอาวิชาคนไม่รู้พวกเราต้องทำแบบคนมีความรู้คือมีความชัดเจนในการกระทำ เช่นในการนั่งฟังธรรมเนี่ยต้องชัดเจนว่าเพื่ออะไรก็หลักๆก็เพื่อตรัสรู้เพื่อรู้สัจจะทั้งสี่นะการฟังธรรมนี้มันจำเป็นต่อการรู้สัจจะเราก็เลยต้องมาฟังธรรมนะการให้ทานนี้มันจำเป็นสำหรับการรู้สัจจะเราก็เลยต้องมาให้ทานการทำสมาธิมันจำเป็นสำหรับการรู้สัจจะเราก็เลยต้องมาทำสมาธิเนี่ยเราว่าทำอันที่มันจาเป็นเหมือนกินข้าวนี่มันจาเป็นหม มันก็จําเป็นสําหรับให้ร่างกายอยู่ได้ถ้าร่างกายอยู่ไม่ได้เราก็รู้สัจจะไม่ได้มันตายก่อนนะชานิหน้าไม่รู้จะเกิดเป็นอัไหนใช่ไหมฉะนั้นก็อนไหนก็อยู่เป็นไปเนาะก็ต้องกินนั่นแหละนะฉะนั้นอาหารก็ต้องทานด้วยความเห็นว่ามันเป็นของจําเป็นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเนี่ยเพราะว่ามันจําเป็นทั้งนั้นนะไม่ใช่ทำโน่นนี่นั่นว่ามันจะดีเด่นขนาดมานั่งฟังธรรมนี่ก็ไม่ได้ของดีอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เราเหนือดีแล้วใช่ไหมฟังธรรมมันจําเป็นสําหรับการ เห็นสัจธรรมถ้าไม่ฟังเราจะมีโอกาสเห็นสัจธรรมไหมไม่มีโอกาสอย่าว่าแต่พวกเราเลยขนาดภาษาริบุตรเนี่ยก็ต้องฟังพระอศัศเชนจึงจะเห็นอย่างพวกเรานี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะถ้าไม่ได้ฟังเนี่เงียบสนิทเลยเป็นก้อนหินไปเลยละมั้งนะี่ขนาดฟังมาหลายรอบแล้วยังยังงมอยู่เลยเนี่ยลองคิดดูนะก็ต้องฟังเยอะๆหน่อยแหละนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็นเราก็เลยต้องฟังต้องชัดเจนในมัตตุประสง์ ถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็จะฟังฟังดิฉันฟังเอาบุญค่ะฟังไปด้วยน้ําลายยืดไปด้วยไม่เคยจดไม่เคยจําอะไรจดแล้วก็อยู่แต่ในสมุดไม่เคยเอาออกมาดูเลยนะอย่างนี้คือมันไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ว่าฟังไปทำํำไมฟังเพื่ออะไรแต่ถ้าชัดเจนในวัตถุประสงค์ก็คือเรามาฟังเพื่อให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ต้องพยายามเลยทีนี้ต้องพยายามให้มันเข้าใจให้ได้ให้ชัดเจนให้ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าชัดเจนแล้วเราก็จะได้ทําถูกนี่แหละคือวัตถุประสงค์ เพราะเป็นเรื่องจําเป็นเห็นไหมเรื่องจําเป็นเนี่ยนะเนี่ยเวลาที่พูดถึงอุปมาสําหรับแม้กระทั่งอริยมรรคมีองแปดท่านก็อุปมาเป็นเครื่องมือที่จําเป็นเป็นเรือหรือเป็นแพสําหรับพาข้ามไปสู่ฝั่งโน้นจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นแพจําเป็นไหมจําเป็นนี่ขนาดวิชาเนี่ยก็ยังเป็นแค่ของจําเป็นถ้าเราข้ามไปได้แล้วนี่มรรคแมันจําเป็นไหมก็ไม่เห็นจําเป็นอะไรแต่สําหรับพวกเราพูดอย่างนั้นคงไม่ได้เพราะว่า ยังไม่มีมรรคสักตัวเลยด้วยซ้ำไปก็ยิ่งจําเป็นมากสำหรับพวกเราว่ากันเด้นนะก็เหมือนฟังธรรมนี่แหละเรายังไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาสังกปะคืออะไรปฏิบัติอะไรอย่างไรเพื่ออะไรเราก็เลยจําเป็นต้องฟังฉะนั้นเมื่อจําเป็นต้องฟังฟังไปเรื่องจําเป็นท่านก็เลยต้องพยายามเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ต้องพยายามเพิ่มขึ้นพยายามเพิ่มขึ้นพยายามฟังนะหาอาจารย์นั้นบ้างอาจารย์นี้บ้างก็เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อจะได้บุญเยอะ ที่หาอาจารย์นี้เพราะดังดังดังนะไปถ่ายรูปหน่อยอาจารย์ดังนะนี่เดี๋ยวก็ถ่ายอาจารย์นั้นอาจารย์อาจารย์ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแชะไปอีกอาจารย์หนึ่งก็อาจารย์นั้นถ่ายแชะหน่อยดังอันนี้ได้เรื่องไหมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ความจริงอาจารย์เดียวก็ได้ถ้าเราเข้าใจจริงๆไม่ต้องอาจารย์ก็ได้เพราะอาจารย์จริงจก็คือทำมวิในใช่ไหมประสาทดาคือทำมวินัยอ่านเองก็ได้ถ้าชัดเจนก็จบไป แค่นั้นแหละหลักมันมีเท่านั้นถ้าไม่ชัดเจนเราก็ต้องหาไปอะไรไปก็เพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องมั่นคงในวัตถุประสงค์คือเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะเป็นโพธินั่นเองโพธิคือปัญญารู้อริยสัจสีนี่เรียกว่าโพธิองค์ประกอบของปัญญาโพธิเรียกว่าโพชชงนะเนี่ยโพชชงนี้จะเอามะละนิวรนนะนิวรนมันจะบังดวงตา มันจะทําให้จิตเศ้ามองส่วนโพอดชงนี้ทําให้จิตเบิกบานผ่องใสกว้างขวา ง, วางและทําให้ปัญญาชัดเจนด้วยนีย่อย่างนี้ก็ต้องมีสติสัมโพ וד ชงเนี่ยนะพาเดินแล้วเป็นไงบ้างพอจะรู้ตัวดีไหมครับนะรู้ดีเพราะระวังกูลัะชนชาวบ้านอันนี้ดีนะเห็นไหมลำบากนี่มันดีถ้ายังไม่ลำบากก็เดินานานๆเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงก็เริ่มจะลำบากแล้วถ้าหนึ่งชั่วโมงนี้ดีกว่านี้อีก เราลำบากมากขึ้นทั้งจากปวดแข้งปวดขาทั้งรําคาญคนข้างหน้าบ้างอะไรบ้างโอ้โหยิ่งดีที่เนี่เราก็จะยิ่งคิดหาวิธีปรับว่าเอ๊ยยังไงอะไรพวกนี้นะถ้ามีธรรมะวิจัยมันก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดีเราก็จะได้ปัญญามากขึ้นนะอย่างนี้ฉะนั้นสตินี่เลยต้องมาก่อนต้องรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อจะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะใช้ปัญญาวิจัยค้นคว้าเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จากสิ่งนั้นนั้นชีวิตเราเนี่ย ในโลกมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเราจะเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับมันไม่ดีก็ได้ประโยชน์ดีก็ได้ประโยชน์สุขก็ได้ประโยชน์ทุกข์ก็ได้ประโยชน์ต้องฝึกให้ได้การจะได้ก็ต้องมีสติก่อนเนาะเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ต้องมีทำมัฟวิจัยเนี่ยทำมัวิจัยนี้จะเป็นตัวช่วยแยกแยะอันไหนไม่มีประโยชน์ต่อการไปนิพพานก็วางลงอันไหนมีประโยชน์ก็รับเข้ามาเพื่อฝึกฝนนิสัยไหนไม่ดีขัดขวางตัวเองก็ทําความเพียรเพื่อเอาออกนิสัยไหนดี เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมแต่ตัวเองยังไม่มีก็ต้องเพิ่มเข้านี่เป็นต้นเนี่ยการวิจัยคนเนี่ยนะเนี่ยเรียกว่าธรรมวิจยัยทุกท่านก็ต้องมีนะก็ต้องมีสติอยู่เสมอใช้ชีวิตในโลกนี้ต้องมีสติเสมอพร้อมรับเรื่องต่างๆอยู่เสมอนะสติมันก็เลยเด่นกว่าสมาธิอย่างนี้คือมันสามารถรับได้ทุกๆอารมณ์ส่วนสมาธินี่สงบนี่มันก็จะแอบแอบอยู่หน่อยนะสงบก็ยิ่งดี แต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักของพจชงเราจะเอาสมาธิไว้ทีหลังเราจะเอาสติมาก่อนให้เกียรติสติเพราะมันทำงานดีกว่านะฉะนั้นบางคนมีสมาธิแต่สติน้อยก็ไม่ดีนะบางคนสมาธิเยอะสติน้อยเลยหลับไปเลยนี่ก็มีความสุขไปเลยมันก็เสียหายได้เกิดความประมาทความสุขเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันเป็นของไม่เที่ยงและก็ มันมักก่อให้เกิดความประมาทนะฮะความทุกข์มันก็มีข้อเสียเหมือนกันคือมันไม่เที่ยงแล้วมันก็มีข้อดีเหมือนกันคือมันเป็นศัจธรรมและทำให้เรามีปัญญารู้จักแก้ไขเพราะใครๆก็ไม่อยากจะเป็นทุกข์เพราะทุกข์มาเราก็หาวิธีแก้ไขใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราหาวิธีไม่ถูกตอนนี้พวกเราได้ฟังธรรมะแล้วว่าเบื้องต้นต้องมีสติก่อนนะต้องรับให้ได้ก่อนนะฉะนั้นพอทุกข์ขึ้นมาปุ๊บ เรายอมรับไม่ได้แล้วก็แค่ฝึกตัวเองให้ยอมรับทุกได้แค่นี้ก็เริ่มถูกทางแล้วพอก็จะไม่แค่นี้ยนะฉะนั้นให้ทุกท่านทุกทุกไว้นะทุกทุกไว้ไปทํางานโอ้ยงานเยอะแท้เราต้องฝึกตัวเราแต่ยังยอมรับไม่ได้ก็ต้องฝึกว่าทํายังไงจะยอมรับงานเยอะๆเงินเดือนน้อยๆได้พอยอมรับได้แล้วเราก็ออกไปซะนะอย่างนี้ทํานองนี้ส่วนใหญ่พวกเรามันยอมรับไม่ได้หนีจากกนณีไปนี้หนีอันนู้นไปอั้นไปเรื่อยนะวุ่นไปเลยนะอย่างนี้ ทำลอง น, นี้เนี่ยจึงต้องรู้จักให้ดีๆอยู่ในโลกนี่นะก็ถ้ายอมรับได้เราก็จะออกจากโลกได้ถ้ายอมรับไม่ได้มันก็ออกไม่ได้หรอกนะถึงจะอยากออกก็ออกไม่ได้เพราะการออกมันไม่ได้ออกจากความอยากมันออกจากมกรรคแปดพอเข้าใจไหมเพราะเราก็อยากจะออกนั้นนั้นแหละอยากออกจากที่ทํางานซึ่งวุ่นวายเหลือเกินก็มาที่ครอบครัวนึกว่าจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าครอบครัวเนี่ยถ้าเราเหนื่อยมาจากที่ทํางานมาครอบครัวจะมีแต่ นะเป็นไงครับดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเละตุ่มเปะแหละหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหนที่ทํางานก่อนเละพออยู่แล้วมาครอบครัวยิ่ก็ยิ่งเละหนักกันไปใหญ่นี่ก็ยิ่งดีว่าไปแล้วแต่พวกเราเนี่หนีหนีจากอันนึงมาอันนึ่งโอ้โหทั้งนั้นก็ๆๆๆไปไหนต่อไปวัดก็แล้วกันอ้าวก็เลยเนี่ยบวบอยูๆๆ่นี่แล้วบ้านวัดท่องเรียนอยู่เนี่ยวนวนวนวนวนอยู่เนี่ยกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละมันเลยไม่เห็นศจลธทําสักทีนะมีแต่ หนีจากบ้านไปวัดไปวนเวียนวนเวียนอยู่เงี้ยนะอันนี้นี่เรียกว่าพวกชาวโลกส่วนพวกเรานี้จะเป็นฝึกในแนวเหนือโลกนะก็ต้องมีสติให้ดีเพื่อจะยอมรับเพื่อรับสตินี้เป็นตัวภาครับนั่นเองภาครับเพื่อจะได้รับอารมณ์ที่มันบริสุทธิ์อารมณ์บริสุทธิ์คืออารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ล้วนๆเราไม่ใส่ความเห็นไม่ใส่ทิฏฐิไม่ใส่ ความคิดต่างๆเข้ามาคิดก็ได้ไม่ว่าแต่อย่าใส่เข้ามานะให้รับบริสุทธิ์เข้ามาทุกข์ก็รับเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะสุ ข, ขก็รับเข้ามาดีก็รับเข้ามาไม่ดีก็รับเข้ามารับรู้ น, นั่นเองเป็นภาครับนะทีนี้เมื่อรับรู้ได้เรียบร้อยแล้วปราศจากอคติต่างๆด้วยสติที่เป็นฝ่ายโพดชงนะสติเป็นฝ่ายโพดชงนี้มันจะเป็นทำหนองนี้นะะก็พวกเราก็เลยต้องมาฝึกให้ดีๆ ฝึกให้มีสติรู้ตัวให้ดีเนี่ยจากที่การเดินนี่ผมก็ให้ฝึกมาอยู่กับกายไว้ก่อนแล้วหัดจำไว้ว่ามีสติมันเป็นอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้ต่อไปก็อย่าลืมฝึกเพิ่มขึ้นวิธีไหนก็ได้แต่ว่าที่สอนนี่ก็ง่ายๆเอาง่ายๆเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ธรรมวิจยะคือวิจัยธรรมค้นคว้าธรรมะค้นคว้า นะคนขวาวิจัยแยกแยะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีมันก็เป็นแต่ธรรมะเท่านั้นแหละเพียงแต่ธรรมะมันก็มีหลายส่วนมีทั้งอกุศลมีทั้งกุศลมีทั้งฝ่ายดําฝ่ายขาวมีทั้ ง, ท, งทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และก็งหนทางมีทั้งควรกําหนดรอบรู้ควรละควรกระทําให้แจ้งและควรเจริญเนี่ยปัญญาเราก็เลือกสรรดูแจกแจงกระจายดูเมื่อมีสติแล้วก็พิจารณา ฉะนั้นอย่าลืมพิจารณาธรรมะอยู่เสมอถ้ายังไม่รู้จะเอาข้อมูลมาจากไหนนี่แหละก็เลยจาเป็นต้องไปฟังธรรมายคบหาสบุรุษฟังธรรมพวกนี้ก็ต้องมีด้วยแต่ตอนนี้พูดระดับสูงขึ้นมาแล้วพูดระดับเรียกว่าสมมุติว่ามีข้อมูลต่างๆสติสัมปชัญญะอะไรพอแล้วก็พูดถึงตอนปฏิบัติเลยนะถ้ายังไม่มีท่านก็ต้องไปเติมมาว่าเอ๊ะมันยังไงอันไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นเหตุเกิดทุกข์อย่างไรก็ไปเติมมานะ นี่คือธรรมะวิจยะสัมพุทธชงต่อมาก็วิริยะสัมพุทธชงความเพียรกล้าหาญบากบัน่นมั่นคงนะละอันที่ควรละออกไปเสียอันที่ควรละนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยนิสัยไม่ดีเรารู้จักไหมครับมีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างหลายท่านก็รู้อยู่นะแต่ว่าโอ๊ยดิฉันละไม่ได้อันนี้คือพวกยังไม่อยากตัดสู้ส่วนพวกที่อยากตัสรู้มันจะเป็นเรื่องจําเป็นรู้จักไหมรู้จักคําว่ามันจําเป็นไหม จำเป็นต่อการตรัสรูนะ้คนจะตรัสรู้จําเป็นต้องละนิสัยอันนี้นิสัยอันนี้มันเป็นเครื่องขัดขวางเรารู้ด้วยปัญญาแล้วอันนี้มีโทษมีโทษก็คือมันไม่มีประโยชน์มันมีโทษก็ต้องละไปเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรในมลละนะความกล้าหาญบากบั่นมาละมันฉะนั้นพวกกิเลสเนี่ยก็ละได้ด้วยความเพียรทั้งนั้นแหละทีนี้จะมีความเพียรกล้าที่จะละมันได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษของมัน ถ้าเราเห็นโทษแล้วก็กำลังใจก็จะมาแล้วสามารถที่จะละมันได้ถ้าไม่เห็นโทษนี่จะละไม่ได้นะทุกท่านก็เลยต้องเห็นโทษก่อนนะต้องมีท ร, รม่าวิจัยค้นคว้าเห็นโทษส่วนสิ่งดีๆเราต้องเห็นคุณค่าก่อนเห็นอานิสงก่อนจึงจะเจริญได้จึงจะกล้าที่จะทำจึงจะเข้าถึงและรักษามันได้ความเพียนหลักๆ ก, ก็เลยมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือละออกไปฝ่ายหนึ่งคือเจริญทาให้มันสมบูรณ ซึ่งทั้งสองอันนี้จะมาได้ด้วยการมีปัญญารู้รู้โทษของฝ่ายหนึ่งและก็เห็นอ น, นิสง์ของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะธรรมดานะถ้าเรายังไม่เห็นโทษของอะไรเราจะละสิ่งนั้นไม่ได้เช่นความติดอาหารถ้าเราไม่เห็นโทษนี้จะละความติดอาหารไม่ได้ทำยังไงก็ละไม่ได้แต่ถ้าเห็นโทษปุ๊บเนี่ยจะละได้แะนะอย่างนี้อ น, นิสง์คุณค่าก็เหมือนกัน ถ้ายังไม่เห็นอนิสงยังไม่เห็นคุณค่าเราก็อยากจะทาไม่ได้เช่นเดียวกันคล้ายๆ้ายกันนะทุกท่านก็เลยต้องมีสติให้ดีแล้วก็ต้องมีปัญญาไปค้นควาดูไปสังเกตตรวจสอบดูให้เห็นโทษเห็นอนิสงนะก็ธรรมะก็จะมีคู่ของมันนะก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นโทษทั้งฝ่ายดีเช่นถ้าเป็นพวกความโกรธอย่างเงี้ยความโกรธก็มีโทษเมตตาก็จะมีประโยชน์ การที่จะละความโกรธได้มันก็ต้องเห็นโทษของความโกรธก่อนเห็นด้วยปัญญาของเราแหละเบื้องต้นเราก็รับรู้หรือว่ายอมรับความโกรธก่อนพอยอมรับได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูความโกรธมีโทษเยอะไหมครับมีโทษเยอะพราะเราก็รู้อยู่แต่ถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันจะมันจะคาอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้ประโยชน์ของเมตตาของความอดทนของขันตินี่มีไหมครับมีเยอะไหมมีเยอะมากนะ พวกเราก็ฟังอยู่บ่อยๆแต่ถ้ามันไม่ชัดด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่เห็นชัดเนี่ยมันก็จะยังไม่มีความเปลี่ยนที่จะทําให้มันสมบูรณ์ไม่รู้จะทนไปทไําไมนะเห็นไหมนะฮะจริงๆทางานลําบากนี้หน้าทนไหมครับทนไม่ทําไมอะมันก็สงสัยไงมันไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์แต่ถ้ามันเห็นอานิสงส์ของความอดทนโอ้โหทำงานลําบากนี้มันต้องทนเยอะดีไหมครับดีเราจะได้อดทนอย่างนี้พอเข้าใจนะครับ นะสามีนิสัยไม่ดีเราทนอยู่กับเขาดีไหมครับไม่ดีขามันปิ๊งเลยอนะเนี่ยมันยากอะไรตัเนี้เห็นไหมนะเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราเนี้ไม่ทนเนี่ยดีกว่าเห่นไหมเนี่ยมันไม่เห็นอานิสงส์ของขันติพอมีเห็นอานิสงส์ของคันติขันติมันจะเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแหละนะมันเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็เลยต้องหาแต่คนดีๆกลุ่มดีๆอะไรดีๆนะทุกอย่างดีหมดเหลือเลวอยู่คนเดียวคือ เนี่ยก็เหลืออยู่ทุกวันเนี้ที่เหลืออยู่ทุกวันเนี้ยก็คืออันนี้แหละก็เราหาแต่คนดีตลอดไงหาแต่พระอริยเจ้าไปหาวัดไหนดีดิฉันรู้หมดค่ะวัดไหนดีวัดป่ า, าอยู่ลึกลับที่แดนไหนดีิฉันรู้หมดกูบาอาจารย์องคไหนดีดิฉันไปมาหมดหล้วเล้ยวอยู่คนเดียวคือ <c oughs> ก็คือดิฉันผู้ไปหานี่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมแบบนี้คือทุกท่านจะรู้หมดนะองไหนดีดท่านรู้หมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพวกท่านเนี่ยเอีมันสุดยอดจริงๆนะเนี่ย นี่มันเป็นอย่างนี้นี่กำลังชี้ให้ดูว่าเนี่ยทำไมมันละได้ไม่ได้อย่างไรนี่กำลังจะบอกนะก็เลยต้องมีวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะตรัสรู้ให้ได้คือโพธิเราก็เลยต้องมีคุณสมบัติมีองค์ประกอบขึ้นมาเรียกว่าพุชงสามตัวนี้เป็นตัวทำงานส่วนอีกสี่ตัวข้างหลังนั้นเป็นตัวผลของมันที่ต่อเนื่องมาถ้าทาถูกเนี่ยจะเกิดอีกสี่ตัวต่อเนื่องกัน ทุกท่านก็มีสตัวนี้ไว้เสมอมีสติให้ดีสติที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้การอยากจะรู้สัจธรรมอยากจะเห็นสัจธรรมนี่ให้อยู่ในใจเสมอนะอันนี้ต้องมีอย่างนี้เสมอถ้าไม่มีนี้ก็ก็ก็จะไม่มีหวังในการตรัสรู้นะบางท่านบอกว่าโอ้ยดิฉันก็ปล่อยวางทุกอย่างค่ะวางทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องตรัสรู้เรื่องอะไรคงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด นี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะนะวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องมีใจมุ่งต่อการตรัสรู้มุ่งต่อนิพพานเสมออันนี้คือดีที่สุดเหมือนเรามีเป้าหมายไว้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราเดินยังไม่ถึงเดี๋ยวรอถึงก่อนค่อยปล่อยทุกอย่างอย่างนี้พอเข้าใจไหมส่วนบางคนปล่อยตั้งแต่ยังไม่เดินเลยมันจะไปไหนอย่างนี้มันก็วนเท่านั้นแหละนะฉะนั้นทุกท่านก็เลยต้องมีหลักให้มั่นคงไว้ว่าเราจะต้องตรัสรู้ วันไหนก็เรื่องของท่านแล้วแต่ท่าน แ, แต่จะตั้งขึ้นมาปกติก็ต้องไว้ที่สุดภายในชาตินี้ก็ว่าไปส่วนมันไม่ได้ก็เรื่องของมันแต่ว่าเราตั้งไว้เมื่อตั้งไว้เราก็ฝึกสติเพื่อตรัสรู้ทำมั่ววิจัยค้นคว้าเพื่อตรัสรู้ทําความเพียรเพื่อตรัสรู้อันนี้เรียกว่าโพชงนั่นเองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นเมื่อทําบ่อยๆกําลังจิตเราก็จะเยอะขึ้ น, นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆก็คือกําลังจิตที่พร้อมจะรับสัจธรรมนั่นเอง เราสติที่เราฝึกมาเราก็ฝึกเพื่อการนี้ปัญญาที่ฝึกมาก็เพื่อการนี้ฟังธรรมก็เพื่อการนี้ให้ทานรักษาศีลก็เพื่อการนี้เห็นไหมมันก็ถูกหมดเลยทีนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ถูกหมดแหละก็จะไม่เป็นไปแบบงงๆนะแบบที่ผมยกตัวอย่างมุชาเนี่ยบางท่านให้ทานใบกิเลกก็เยอะขึ้นอะไรขึ้นเรียกว่ายิ่งให้ทานก็ยิ่งไม่ยอมรับสัจธรรมอะไรเลยอย่างเนี้ ยิ่งรักษาศีลตัวเองศีลดีขึ้นก็ยิ่งทิฏฐิมากขึ้นหนักขึ้นหรือยอมรับคนอื่นไม่ได้เยอะขึ้นอย่างนี้มันก็ยิ่งกันไปกันใหญ่นะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องรู้จักวิธีให้ดีๆแม้กระทั่งการฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันบางท่านนี้ไม่ระวังก็พอรู้ธรรมะเยอะก็ชักจะยอมรับคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะชาวโลกนี่มันมีแต่อัดธรรมตั้งตั้งเลยเนะี่ยพอเรามีธรรมะอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เริ่มปัญหาก็ชักจะ นวเนีย่ยขึ้นมาแล้ว น, นะเห็นไหมเนี่ยพอไม่ระวังมันเพี้ยนไปหมดนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อเรามุ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อยอมรับความจริงนะคือตอนนี้เรายังไม่ยอมรับแหละยังมีปัญหายังขัดคนนั้นคนนี้อยู่เราก็เลยมาฟังธรรมการฟังธรรมของเราเพื่อยอมรับเขาหรือคนต่างๆให้ได้มากขึ้นให้ทานของเราเพื่อยอมรับยอมรับเริ่มจากใครล่ะก็ที่ทํางานเราไงที่ทํางานเรามีคนที่เรายอมรับไม่ได้มีบ้างไหม ก็มีบ้างเราก็ฝึกเพื่อการนี้แหละนะะที่บ้านเรามีบ้างไหมคนที่เรายอมรับไม่ได้ก็คงมีอยู่เนาะเนี่ยอื่นๆพยายออกไปเลยนะนั่นแหละนี่อย่างนี้คือแบบนี้เรียกว่าโพอดชงแหละแบบนี้คือองค์ประกอบเพื่อที่จะรับสัจธรรมเพื่อจะรับนะฉะนั้นสัจธรรมมีแล้วแต่ว่าคนหรือผู้เหมาะสำหรับการรับเนี่ยมันยังไม่มี พวกเราก็เลยต้องมาฝึกเหมือนกับมรดกมีแล้วแต่ว่าและผู้เป็นบิดาก็ให้ไปแล้วด้วยแต่ว่าเราอย่างคุณสมบัติไม่เหมาะสําหรับที่จะรับเท่านั้นเนี่นะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เราก็เลยต้องมาฝึกคุณสมบัติต่างๆค่อยๆหัดไปนะครับค่อยๆหัดวิธีสังเกตก็สังเกตที่เรารับสัจธรรมได้เยอะขึ้นไหมชัดเจนไหมว่าไหนทุกทุกควรกําหนดรอบรู้นะชัดไหมเนี่ยชัด ถามตัวเองอ่ะถามใจเราชัดไหมแกนะเหมือนเมื่อกี้เอาง่ายๆก่อนเรื่องสติก็ยืนอยู่ชัดไหมว่ายืนอยู่รู้ตัวไหมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะีทำการนี้เพื่อการนี้รู้จักไหมชัดเจนไหมเนี่ยให้หมันมีความชัดเจนในการกระทาต่างๆการกระทาด้วยการชัดเจนก็จะมีผลนะมีผลนะไม่ใช่คลุมเครือไม่ใช่ ไสยศาสตร์แต่เป็นพุทธศาสตร์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความชัดเจนในตัวนะครับฉะนั้นการกระทาแบบคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทำด้วยความชัดเจนทำด้วยความรู้ในมรรคแปดก็เลยเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิก็คือความชัดเจนนั่นเองเข้าใจชัดนะตอนนี้มาพูดเรื่องวิธีปฏิบัติพดชงเนี่ยก็จะพูดตอนองค์ประกอบก่อนที่มรรคจะเกิดเนี่ยก็มีความชัดเจนอย่างนี้นะครับนะ เมื่อกี้ได้แนะนําวิธีปฏิบัติในท่าเดินบ้างนะเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกในท่าอื่นบ้างเนาะจะได้ครบนะเดี๋ยวจะบอกว่าฟังอย่างเดียวมันไม่ไม่ครบนะต้องเอาเมื่อกี้เดินแล้วก็ยืนซะหน่อยอารทุกท่านยืนเพื่อจะฝึกกันนะก็ยืนข้างๆเบาของท่านนะก็จัดเบาให้เหมาะสมะแล้วเราก็ยืนข้างๆเบานะครับ เราจะฝึกสติให้มีความรู้ตัวในท่ายืนนะยืนก็รู้ตัวว่ากายมันยืนอยู่รู้ตัวมีความรู้ตัวนะอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วคือท่ายืนนี้มันจะดีในแง่ที่มันถูกบังคับให้มีสติมีความรู้ตัวฉะนั้นท่านไหนไม่รู้ตัวก็เบรรลุต้นก็แค่ยืนนานๆก็พอแล้วยืนเฉยๆนิ่งๆนี่นแหละเดี๋ยวมันรู้ตัวเองนะมันจะรู้ได้ไงก็ยืนนานๆก่อนแล้วก็รู้เองนะ อันนี้ทำสักสิบนาทีก็ได้เรื่องแล้วนะอันนี้นะครับอ่าทีนี้เรามีเวลากันน้อยผมก็จะแนะนำเพิ่มเติมนะฉะนั้นท่านไหนที่ง่วงเงาเฮานอนไม่ค่อยมีสติก็ยืนเยอะๆนะยืนไว้ยังไม่ต้องเดินก็ได้เพราะบางคนเดินก็ใจลอยอยู่ดีนั่งยิ่งใจลอยกันใหญ่ยืนเนี่ยจะใจไม่ค่อยลอยมันเป็นท่าที่ใช้ําพึงหรือว่าใช้พิจารณาสิ่งต่างๆได้ดีนะครับนะทีนี้ ความจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับท่าอันนี้ผมพูดสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆเท่า น, นั้นแหละนะเอาละพวกเราก็มาฝึกต่อไปนะครับมาฝึกนะทุกท่านยืนแล้วยืนทำความรู้ในท่ายืนนะครับนะถ้ายังไม่ค่อยรู้ตัวก็อา้าว ห, หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกหายใจเข้ากลั่นไวน้หนึ่งหายใจออก นะมือเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้เวลายืนนะจะกลุมไว้หน้าท้องก็ได้หรือยืนมือธรรมดาก็ได้นะก็ยืนก็ให้มันสํารวมสํารวมคือสํารวมจิตมาง่ายๆก็คือเรามองข้างหน้าเล็กน้อยที่มองข้างหน้าและจ้องไว้ข้างหน้าเล็กน้อยนี้จะดีในแง่ที่บอกไปแล้วก็คือจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนี้ในปัจจุบันถ้าจิตมันคิดไปที่อื่นเนี่ยเราจะบอกมันได้ว่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่นี่ ดีกว่าหลับตานะเวลานั่งก็คล้ายกันนั่งก็ให้ลืมตาแล้วก็จ้องมองจุดใดจุดหนึ่งไว้แต่ไม่จ้องจ้องให้มันเจ็บตาอาจจะจ้องกําแพงก็ได้นะอันนี้ทําไว้เพื่อที่จะดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันสู่ปัจจุบันก็คือกลับมาห้องนี้กลับมากายนี้ยกมาที่ลมหายใจเป็นต้นแต่แตนะ่ะอันนี้มันจะช่วยได้ฉะนั้นปฏิบัติเริ่มต้นให้ลืมตาแล้วก็จ้องไว้จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามองสบายสบายไม่ต้องเครียดนะครับ ทำนองนี้เอาละต่อไปนะก็ทำความรู้ตัวในท่ายืนนะครับทำความรู้ตัวต่อไปก็จะให้ตั้งใจทำนะเนื่องจากว่าการตั้งใจนี้มันก็จะดีในแง่ทำให้เกิดสติได้ตั้งใจทำนะตั้งใจนะต่อไปทุกท่านยืนตัวตรงนะครับทำตามที่ผมพูดนะให้เอียงตัวไปทางซ้ายเอียงไปทางซ้ายก็ให้รู้ว่ากายเอียงอยู่ เอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปทางซ้ายก็ให้รู้แบบโยกโยกไปอ่ะเอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้กายเราจะโยกไปโยกมานะวิธีการสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆก็ให้กำหนดไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดตั้งต้นก่อนเช่นกำหนดที่เทา้านะกำหนดที่เทา้าไว้ ต่อไปเอียงตัวไปทางซ้ายน้ำหนักมันก็จะมาด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับตัวเห็นตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองให้ทําความรู้ให้มันชัดเจนว่าอ๋อน้ําหนักมันมาทางซ้ายจริงๆริกายมันอยู่ทางซ้ายจริงๆเอียงตัวไปทางขวาเออให้ถามตัวเองบอกตัวเองน้าหนักมันมาทางขวาจริงๆริกายมันอยู่ทางขวาจริงๆมันเอยียงมาจริงๆเอียงตัวไปทางซ้ายให้รู้ รู้ก็คือให้ชัดเจนนั่นเองให้มีสติเอียงตัวไปทางขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปทางซ้ายก็ให้รู้ให้ใส่ความรู้เข้าไปในกายของเราที่มันอยู่ในอาการอย่างนี้ตัวกายมันไม่รู้ตัวความรู้ก็คือจิตนั่นเองเราใส่สติเข้าไปในจิตนั่นแหละพูดภาษาเราแต่เราพูดว่าใส่ความรู้เข้าไปในกายนะจริงๆก็คือใส่สติเข้าไปในจิตนั่นเองนะต่อไปเอียงตัวไปทางขวา ก็ให้รูเอียงตัวไปทางซ้ายก็ให้รูเอียงตัวไปทางขวาก็ให้รูยืนตัวตรงก็ให้รูนะอันนี้ท่านไหนยืนตัวตรงแล้วใจลอยก็โยกซ้ายโยกขวาแต่ให้ตั้งใจทำการตั้งใจทำนี้มันจะมีข้อดีสําหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆก็คือเวลาตั้งใจจิตมันจะเกิดกับความตั้งใจจิตมันจะเกิดกับเจตนานั่นแหละ แต่มาร์นี้มันเหนือเจตนาเพียงแต่ว่าเอามาใช้ได้ในตอนต้นคือทําจนมันชินต่อไปก็ไม่ต้องเจตนานะอย่างนี้ทําตรง น, นี้นะครับก็ทาาําบ่อยๆฉะนั้นท่านไหนตั้งใจทําอะไรตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจท่องผมก็เล็บนันังก็ทําไปก่อนทาจนกระทัง่งมันไม่ต้องตั้งใจมันก็ทําได้นะอันนั้นมันก็จะเอามาใช้เป็นมาร์ได้แต่ตอนแรกมันใช้เจตนาเป็นตัวนําเนื่องจากว่าเจตนาเนี่ยมันทําให้เกิดจิตชนิดนั้นๆที่ต้องการได้นะครับอันนี้นะ อันนี้ก็ใช้เจตนาก่อนใช้ความตั้งใจนะครับต่อไปทุกท่านยดินตรงนะครับต่อไปก็ก้มหน้าลงก็ให้รู้ว่ากายมันก้มเงยหน้าขึ้นก็ให้รู้ก้มหน้าลงก็ให้รู้ว่ากายมันก้มเงยหน้าขึ้นก็ให้รู้ก้มหน้าลงก็ให้รู้ให้มันชัดว่ากายมันก้มเงยหน้าขึ้น ก็ให้รู้นะกำหนดไว้ที่เท้าก่อนก็ได้ก้มหน้าลงก็ให้รู้น้ำหนักมันมาข้างหน้าเงยหน้าขึ้นก็ให้รู้น้ำหนักมันไปที่สนเท้ายืนตัวตรงก็ให้รู้นะรู้นะครับนะอันนี้ก็จะช่วยเหมือนกับบริหารกายเราสักหน่อยหนึง่งมีไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังก็สี่ทิศแล้วนะอันนี้ บางท่านยังไม่หายง่วงหน่อยก็บิดขี้เกียจหน่อยก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็แต่ต้องทำด้วยความตั้งใจมีสตินะครับทุกท่านยืนตัวตรงให้หันมองไปด้านซ้ายมองไปด้านซ้ายก็ให้รู้ต่อไปหันมองไปด้านขวาก็ให้รู้รู้กายไม่ต้องสนใจสิ่งที่มองเห็นสนใจกายของเราที่บิดอยู่ความรู้สึกในกายนะหันมองไปด้านซ้าย ก็ให้รู้หันมองไปด้านขวาก็ให้รู้หันมองไปด้านซ้ายก็ให้รู้หันมองไปด้านขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้นะต่อไปเราก็ให้มันลําบากขึ้น อ, อีกหน่อยหนึ่งจะได้มีสติดีนะท่านี้จะอันตรายนิดนึงแต่ไม่อันตรายมากอันตรายนิดเดียวอันตรายสําหรับคน แก่ๆหรือว่ากลนไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะอันนี้อ่าก็ทาด้วยความระมัดระวังนะครับทุกท่านยืนตัวตรงตั้งใจไปที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นยกเท้าซ้ายขึ้นก็ให้รู้ว่าเท้ามันยกขึ้นค้างไว้นิดนึงวางลงก็ให้รู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าซ้ายขึ้น ให้รู้ให้ชัดเจนว่าเท้ามันยกขึ้นนะกายมันยืนขาเดียว อ, อยู่วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้อ่าานนี้จะลำบากเราก็จะตั้งใจเป็นพิเศ ษ, ษ พอตั้งใจมันก็จะรู้กว่าปกติหน่อยนะท่านจะเห็นลักษณะพิเศษของความตั้งใจหรือว่าของความลำบากบ้างเล็กน้อยนี่มันจะช่วยให้มีสติดีขึ้นต่อไปท่านก็ไปปรับได้ประยุกได้นะทีนี้ก็ใช้หลายอารมณ์ก็ได้ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านทำตามนะส่วนวิธีท่านก็ไปปรับได้ตามสะดวกนะครับนะไม่ต้องซีเรียสเรื่องวิธีอะไรให รู้ว่าต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้ดีจะได้วิจัยค้นคว้าธรรมะต่า ง, างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนะครับต่อไปทุกท่านยืนตัวตรงนะตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกเท้าขวาหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกเท้าซ้ายขึ้นหายใจเข้าวางลงหายใจออก ยกเท้าขวาขึ้นหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกเท้าซ้ายขึ้ At นหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกเท้าขวาขึ้นหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกเท้าซ้ายขึ้นหายใจเข้ากลันไว้นิดนึงวางลงหายใจออกยกเท้าขวาขึ้นหายใจเข้ากลันไว้นิดนึงวางลงหายใจออก ที่กลั่นไว้ก็ดีอะไรก็ดีก็เพื่อให้ชัดเจนในใจของเราเวลาเราไปทําเองเราก็ทําแบบดูตัวเองเป็นหลักแต่นี้ผมพูดนํามันก็อาจจะลักลั่นบ้างอะไรบางก็ไม่เป็นไรนะเป็นแค่วิธีเฉยๆนะ ต, ตัวตัวหลักก็คือท่านจะต้องชัดเจนรู้อยู่กับตัวว่าเออเนี่ยกายมันอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะไอ้กายกายเนี่ก็คือที่รวมของรูปนั่นแหละพอสติได้ดีขึ้นแล้วก็ค้นมันดูได้ว่าเอ๊ะกายมันก็แค่เนี้มันก็อย่างเนี้ย จะเอาดีเอาชั่วถูกผิดกับมันนี่ไม่ได้ส่วนดีชั่วเจริญไม่เจริญมันอยู่ทั้งจิตเนี่ยส่วนกายมันก็ได้ประมาณนึงเท่านี้แหละให้มันละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆคือความชัดของมันจะเริ่มจากชัดแบบธรรมดาก่อนแล้วก็ลึกลงไปก็คือชัดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะอย่างนี้เหมือนเราตาดีขึ้นหรือว่าเราเรียนหนังสือเก่งขึ้นเก่งภาษาอังกฤษขึ้นตอนแรกก็ท่องได้แต่ ABC ต่อมาก็อ่านรูปประโยคได้ต่อมาก็อ่านทั้งหนังสือได้คล้ายๆกันนะคล้ายๆอย่างนี้ ตอนนี้ก็อ่านได้เฉพาะร่างกายว่ามันโยกไปมาต่อมาก็อ่านได้ว่าเอา้าวกายนี้มันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเป็นของไม่เที่ยงต่อมาก็เอา้ามันมีความรู้สึกมีจิตอยู่ในนี้ลึกเข้าไปเรื่อยๆอ่านเข้าไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่แหละคือหลักของมันนะหลักของการฝึกนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเครียดว่าจะต้องได้ต้องไม่ได้เราแค่ทําเหตุก็พออ่อันนี้ท่ายืนก็ก็ทําท่าไหนก็ได้ถ้าไม่มีท่าจะทำํำก็ยืนนิ่งๆก็พอ หยุนิ่ๆก็ดีก็คือมันก็นานๆหน่อยมันก็เอาชักจะโหโน่นนี่นั่นแหละพอเหนื่อยเข้าอะไรเข้าพอง่วงนอนเข้านี่ยืนอยู่นี่ง่วงนอนมันนอนไม่ลงนะพอเข้าใจไหมนะฉะนั้นท่านไหนง่วงนอนก็ยืนไว้ยืนแล้วก็มันก็จะโอ้โหนั่งสัน่นนั้งอะไรก็ไม่รู้่เยอะไปหมดนะอันนี้ทําตองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นท้าใช้ในการฝึกที่ดีนะ นะครับท่าเดินเราก็ทำแล้วท่ายืนก็ทำแล้วต่อไปเราฝึกกันท่านั่งนะครับอ่าทุกท่านนั่งลงนะครับอ่าได้แต่ท่านนะแต่ท่านได้ท่าแล้วก็ไปฝึกเอาเองนะครับอ่าต่อไปเราก็จะฝึกในท่านั่งนะครับท่านั่งนี้ก็นั่งท่าไหนก็ได้หรนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ได้นะแต่ว่า ถ้านั่งก็จะมีท่าที่ดีที่สุดไว้เพราะว่าเรียกว่าถ้าทําท่าที่ดีที่สุดมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ไวที่สุดถ้าลดระดับความเข้มข้นหรือว่าลดระดับความเหมาะลงมามันก็ได้ผลชา้าลงตามลําดับก็ต้องยอมรับผลด้วยนั่นเองนะท่าที่ดีที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ท่านใดที่ร่างกายยังดีอยู่ก็ควรจะหัดฝึกเลยถึงแม้จะเจ็บปวดบ้างก็ต้องทนทนเอาตอนตอน้ตนนนะ เดี๋ยวมันก็ได้เองแหละนะก็คือถ้านั่งคูบัลังนะครับพับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันก็ดูตามร่างกายของท่านว่าจะเหมาะแบบไหนเวลาพับคูบัลังก็ไม่มีระบุบอกไว้ว่าเอ า, เอ า, เ, อาเอาข า, ท, ข า, ข า, ข า, ขาทับขาขว า, าทับขาซ้ายซ้ายทับขวาหรืออะไรตรงไหนแค่ให้พับขาเข้ามาให้สมดุลก็พอเราก็ต้องตรวจสอบสรีสของเราว่ามันสมดุลประมาณไหนนะจะนั่งเรียงขากันก็ได้ จะเอาขาไหนอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้หรือทับกันก็ได้ก็ดูความเหมาะสมของสรีระนะครับอันนี้ก็คือนั่งคู้บัลลังกับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลต่อมาคู้บัลลังแล้วต้องตั้งกายให้ตรงกายต้องตรงอยู่เสมอทุกท่านก็ต้องหัดนั่งกายตรงจริงๆแล้วถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีกายจะตรงโดยธรรมชาติเพราะสติมันจะดึงร่างกายให้ตรงนะโดยเฉพาะลมหายใจในท่า หายใจยังมีสติมีสติหายใจมันจะดึงร่างกายให้ยาวขึ้นแต่ก็ตรงโดยธรรมชาติแต่ถ้าสติเราน้อยเราต้องใช้วิธีสังเกตเอาตั้งใจเอาทุกท่านก็ดูกายนะพับขาสองข้างให้สมดุลต่อไปตั้งกายให้ตรงนะครับตั้งกายให้ตรงถ้ากายไม่ตรงก็ต้องตั้งบ่อยๆ อ, อย่าตั้งทีเดียวนะบางท่านตั้งทีเดียวเสร็จแล้วก็หลับไปเลยอย่างนั้นไม่ได้ต้องตั้งหลายๆรอบนะกรรมาฐาน ท, ทําทีเดียวมันคงได้ผลแล้วไม่มีหรอกนะ ก็ต้องทํำห ล, หลายรอบนะครับตั้งกายตรงนะสํารวจอยู่เสมอเมื่อตั้งกายตรงแล้วต้องดํารงสติไว้เฉพาะหน้าต้องตั้งสติให้ดีด้วยเพราะว่าท่านนั่งนี้มันจะเป็นท่าที่เน้นไปทางสมาธนะิถ้าสมาธินําสติเราจะง่วงนอนและเราก็จะหลับฉะนั้นสติต้องนําสมาธิเสมอนะอย่างนี้คือหมายถึงว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสงบนี่สติต้องทันว่าตอนนี้มันกําลังสงบแล้วนะตอนนี้มันคิดนะตอนนี้อะไรนันต้องรู้ต้องบอกได้หมด นั่นเองนะอย่างนี้ทํานองนี้ต้องตั้งสติไว้เฉพาะหน้าคือตั้งสติให้โดดเด่นไว้คือเอาสตินำพูดภาษาเรานะท่านไหนจะดึงออกมาข้างหน้าเช่นดึงออกมาแถวแถวจมูกดึงออกมาเหมือนอยู่ข้างหน้ามองเข้ามาก็ได้แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยให้รู้ตัวไว้ให้มีสติไว้นะครูบรลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าส่วนมือนี่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหน อยู่ที่หน้าขาก็ได้อยู่ที่เข่าก็ได้ตามสรีระที่เหมาะสมท่านก็ปรับเอานะตัวหลักก็คือตั้งกายาพับขาสองข้างให้สมดุลเป็นคู่บอลลังตั้งกายตรงและดํารงสติเฉพาะหน้าอ่าอทุกท่านทำนะครับนั่งตั้งกายตรงนะแล้วก็มือก็วางที่หน้าขาก็ได้หรือเข่าก็ได้หรือจุดอื่นก็ได้นะครับต้องมีสติให้ดีนะ สติต่อไปเราก็จะทํากรรมฐานกันจริงๆนั่งเฉยๆแล้วนั่งยังมีสติก็ใช้ได้แล้วนะแต่ทีนี้เพื่อให้มีกรรมฐานทําเราก็ต้องฝึกเพิ่มเติมด้วยนะตาของเราเบื้องต้นก็อย่าเพิ่งหลับตาก็แบบที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ก็คือให้กลมหน้าเล็กน้อยแล้วก็มองจุดใดจุดหนึ่งไว้มองไม่ต้องถึงกับมองแบบเครียดมองสบายๆเพื่อดึงจิตของตนกลับมาที่ห้องนี้ก่อนกลับมาปัจจุบันก่อน ถ้าหลับตาเดี๋ยวมันจะคิดมากแล้วมันจะไปนอกโลกไปให้ลืมตามองที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนนะอย่างนี้ถ้าสติดีแล้วก็ค่อยหลับตาทีหลังนะครับตัวหลักนี้ไม่ใช่ตาตัวหลักคือสตินะสติที่มันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าคือมันอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะครับทีนี้กรรมาฐานที่ดีที่สุดในท่านั่งก็ทุกท่านคงรู้ดีอยู่คือลมหายใจท่านไหนมีสติดีแล้วก็มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออกและคอยกำหนดสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในนั้นโดยอยู่กับลมหายใจนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งดูลมหายใจด้วยกันประมาณสัก15นาทีก็แล้วกันเนาะดูว่าใครจะทำได้บ้างนะคงทำได้ทุกคนแหละเนาะนะบางท่านก็ทำได้เกือบง่วงไปเลยนะฉะนั้นเราก็จะนั่งดูลมหายใจแต่ท่านใดยังไม่เห็นลมหายใจก็นั่งดูกายที่กาลังนั่งอยู่นะ กำมือเข้ารู้แบมือออกรู้นะก็ได้เหมือนกันนะท่านใดยังไม่เห็นลมหายใจก็ทําลมหายใจให้มันหยาบก่อนแล้วค่อยสังเกตเออกก็ได้บริเวณลมหายใจณนะจุดกระทบนี่ก็คือบริเวณจมูกโดยส่วนใหญ่นะหรือริมฝีปากแต่โดยส่วนใหญ่คงจะเป็นบริเวณจมูกเพราะพวกเราดินฝีปากบางไม่เหมือนฝรัง่งนะพวกเราเป็นคนไทยก็ส่วนใหญ่จะอยู่จมูกนะครับอ่าทำตามที่ผมพูดนะครับ ทุกท่านนั่งคูบันหลังยืดกายให้ตรงครับยืดกายให้ตรงนะก้มหน้ามองข้างหน้าต่อไปให้หายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกให้สังเกตมีจุดกระทบที่ชัดเจนของลมหายใจยุดจุดหนึง่ง หายใจเข้ายาวหายใจออกต่อไปเปลี่ยนให้หายใจเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นเหมือนคนจะหมดลมออกสั้นหายใจเข้าสั้นออกสั้นเห็นจุดกระทบไหมครับอ่าอันนี้คือเราลมทําลมหายใจให้มันหยาบแล้วเห็นจุดกระทบต่อไปให้สังเกตที่จุดกระทบนั่นแหละแล้วก็หายใจตามธรรมดา ให้ยืดกายให้ตรงไว้นะครับแล้วก็สังเกตจุดกระทบไม่ต้องให้จิตไปที่ไหนให้มันอยู่ตรงจุดกระทบนั่นแหละแล้วก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกก้มหน้าลืมตาไว้นะทำด้วยกันประมาณสิบห้านาทีนะครับ วันนี้ผมก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ได้นำปฏิบัติตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วสรุปแล้วนะทั้งวันที่ผ่านมานี้วันนี้เน้นมาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่พูดไปลักษณะการปฏิบัตินะเพื่อให้เข้าใจเหตุผลการปฏิบัติให้ชัดเจนแต่ยกเกี่ยวกับประเด็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาเป็นหัวข้อในการพูดนะครับ อย่างนี้ทํานองนี้แต่ไม่ได้พูดละเอียดมากนักนะถ้าท่านใดต้องการรายละเอียดก็ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับอ่าก็ปฏิจจสมุปบาทนั้นก็มีหัวข้อหรือว่าโครงหลักๆอยู่สองสายสองขั้วด้วยกันก็คือขั้วที่มันเกิดทุกข์กับดับทุกข์เรียกว่าสมุทยาวาระอันนี้เกิดทุกข์กับนิโรธาวาระคือดับทุกข์นะถ้าพูดแบบย่อๆก็พูดเป็น อิทับปัยยาตาความที่สิ่งต่างเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคำว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือเหตุกับผลนั่นเองปฏิจจสมุปบาทก็เลยเป็นการแสดงเหตุผลของ วัตะสงสารที่สืบเนื่องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะการต่อเนื่องกันไปก็เนื่องกันตามเหตุและผลสิ่งที่เกิดเนี่ยเป็นผลผลจะต้องมาจากเหตุนะเมื่อเหตุมีผลก็มีและเมื่อผลมีผลเกิดขึ้นก็เนื่องอยู่กับเหตุนั่นแหละจะแยกจากกันไม่ได้อันนี้มันเป็นความเป็นไปของสิ่งต่างมันเป็นอย่างนี้นะ พระพุทธองค์ก็ได้มุ่งเน้นให้พวกเรารู้จักความเกิดขึ้นของทุกข์กับความดับไปของทุกข์โดยให้มุ่งเน้นพิจารณาไปที่องค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะส2องอย่างก็คือในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่คืออะไรผลนี้มันจึงมีก็เมื่ออวิชามีสังขารมันจึงมีนะเมื่ออวิชชาเป็นอย่างนี้อย่างนี้สังขารก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นะทุกท่านก็สามารถไปพิจารณาได้คนที่เขาทําชั่วทําบาปอะไรมีเยอ ะ, ยอะแยะเราก็ตัดคนออกไปนะการทําบาปอย่างนี้อย่างนี้มีก็เพราะอาวิชามันมีอยู่ความไม่รู้สัจธรรมมันมีอยู่ก็เลยมีการทําบาปเดี๋ยวว่าแต่การทําบาปเลยการทําบุญเนี่ยอย่าง น, างนี้อย่างนี้มีบุญต่างๆมีก็เพราะอาวิชาเช่นเดียวกันนะเมื่อสิ่งนี้มีคือเมื่ออวิชามีสังขารก็เลยมี เมื่อสังขารอย่างนี้อย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยมีวิญญาณอย่างนี้ก็คือวิญญาณที่พวกเรารับรู้อยู่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างนี่แหละนะก็นี่แหละมันก็มาจากสังขา น, นี่แหละมันเนื่องกันอยู่ถ้าไม่มีสังขานมันก็ไม่ได้มีวิญญาณอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่อย่างนี้ก็สามารถที่จะจําไว้แล้วก็นําไปพิจารณาได้นําไปหัดฝึกสําหรับท่านที่มีสติ สัมปชัญญะมีสมาธิดีแล้วก็มีเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็หัดพิจารณาหัดมองดูให้มันลึกนะแบบปฏิจจสมุปบาทนี้จะช่วยให้มองได้ลึกได้ชัดเจนแล้วก็เห็นความชัดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆความไม่มีตัวตนเพราะว่ามันจะมีตัวตนไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดยังไม่มีตัวตนเลยตัวมันที่เกิดจากของไม่มีตัวตนมันจะมีตัวตนก็เป็นไปไม่ได้ อวิชาก็ไม่มีตัวสังขารก็ไม่มีตัววิญญาณก็ไม่มีตัวฉะนั้นวิญญาณมันจะเป็นตัวเป็นตนไปไม่ได้เพราะมันเกิดจากสังขารที่ไม่มีตัวตนนะก็สังขารบุญบาปก็จะมีตัวมีตนเป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากอวิชาที่ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันนะนี่มันมีแต่ของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงก่อให้เกิดของไม่เที่ยงของไม่มีตัวตนก่อให้เกิดของไม่มีตัวตน เป็นของว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนก็คือเป็นแต่กองทุกข์ที่ว่างจากสัตว์บุคคลเป็นทุกข์ล้น้วนทุกเพียวเพียวที่มาจากเงื่อนไขปัจจัยต่อเนื่องกันอย่างนี้นี่ฝ่ายเกิดนะส่วนฝ่ายดับก็เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปทีนี้ก็ให้เข้าใจความหมายของคําว่า ด, ดับให้ชัดเจนคําว่า ด, ดับก็คือความไม่มีไม่เกิดขึ้น ไม่มีเพราะเหตุมันหมดนะก็เมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้จึงไม่มีคือยังไงล่ะก็เมื่ออวิชชาไม่มีสังขารมันก็ไม่มีไม่เกิดเมื่ออวิชชาไม่เกิดสังขารก็ไม่เกิดทีนี้คำว่าไม่มีไม่เกิดตรงนี้แหละที่สำคัญต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะที่ว่าอวิชชาไม่เกิดก็คือมันหมดเหตุหมดเงื่อนไขแล้วที่มันจะหมดไปได้หมดเงื่อนไขไปได้ ก็มีวิชามาแทนที่แล้วนะอย่างนี้ฝ่ายวิชาก็คือฝ่ายมักแปก็เป็นการละอวิชาทําลายอาวิชาออกไปนะละวิชาได้ด้วยวิชานะอย่างนี้ทํำนองนี้หรือพูดแบบมักแปก็ละมิชาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิละมิจชาสังกปะด้วยสัมมาสังกปะอย่างนี้เป็นต้นนะแบบนี้แหละก็เป็นการ ดับไปไม่มีไม่เกิดนะเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีก็ไม่มีทุกขนั่นเองนะถ้าพูดแบบรวมก็คือถ้ามีอวิชชามันก็มีทุกขถ้าหมดอวิชชาก็หมดทุกนะคำว่าหมดอวิชชาก็คือมีวิชาขึ้นมานะเพราะคำไทยนี้เพราะว่าหมดอวิชชาบางทีไม่ได้นึกถึงว่ามันมีวิชามาแทนเนี่ยเราก็เลยต้องอธิบายเพิ่มตรงนี้ ถ้าเป็นบาลีท่านก็ใช้คําว่าหมดอวิชชาก็กก็็แค่นั้นก็พอแล้วนะหมดภาวะขาดปัญญาหมดภาวะขาดปัญญาก็คือมีภาวะที่มีปัญญาเต็มที่หมดความมืดก็หมายถึงมันสว่างนะอย่างนี้ทํานองนี้หมดความมืดนี่จะใช้คําว่าหมดความมืดเฉยเฉยมันก็มันก็คงเป็นไปไม่ได้เนะคำว่าหมดหมืดหมดกลางคืนแล้วก็คือมันกลางวันแล้วนั่นแหละนะอย่างนี้มันก็มาแทนที่ ก, กันอย่างนี้นะครับ ทำนองนี้อันนี้คือปฏิจจสมุปบาทนะความที่สิ่งต่างๆอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและเป็นไปสแสดงเรื่องความเกิดขึ้นของทุกข์ล้วนๆกับความดับไปของทุกข์ล้วนๆไม่ไล่มีตัวมี ต, มตนอะไรนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักๆก็พูดเรื่องทุกข์กับความดับทุกขนะ์ถ้าวางเป็นระบบก็เป็นเรื่องอริยสัจสีนั่นแหละที่ว่าเป็นโครงไวตั้งแต่ต้น ตอนนี้ก็มาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นให้เห็นชัดให้ยอมรับความจริงได้ชัดเจนอย่างนี้ทํานองนี้นะนี่ตอนเช้าก็ได้พูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับตอนกลางวันก็ได้พูดเพิ่มเติมมาอีกก็คือเรื่องของอวิชชาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนมันจะเกิดมันก็ต้องมีเงื่อนไขฝ่ายเงื่อนไขของอวิชชาก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ไม่ได้คบหาสัพพุรุษไม่ได้ฟังพระัทธรรมไม่มีศรัทธา ไม่มีโยนิโสมนสิกการคือเป็นอยโยนิโสมนสิกการแทนที่ซะขาดสติสัมปชัญญะขาดการสารวมระวังอินทรีย์ไม่สารวมไม่ระวังอินทรีย์ทุจริตนิวรแล้วก็อวิชชาแต่พูดตัวใกล้ๆมานก็คือนิวรณ์หเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาซึ่งพวกเราทุกคนทุกท่านก็ก็คงเรียกว่าเป็นตัวพิสูจน์อยู่แล้ว เพราะใจของพวกเราเนี่ยใยังมีอนิวรณ์อยู่เดี๋ยวสักหน่อยก็หลงแต่ก็นะเข้าใจผิดไม่เห็นสัจธรรมเรื่อยทีเดียวเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็เพราะมีนิวรณ์นะฮะทีนี้ฝ่ายวิ ช, ชาที่จะเอาเอาวิชชาออกไปก็ต้องมีฝ่ายของมันเริ่มต้นจากเนะข้าคบหาสัพท์ บ, บุรุษฟังพระสัจธรรมมีศรัทธามีโยนิโสมนสิการมีสติสัมปชัญญะมี อินทรีสังวรสำรวมระวังอินทรีย์สุดจริตสามสติปัฏฐานสี่พจนชงเจกแล้วก็จึงวิชาแล้วจึงวิมุตต์ต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงฝ่ายวิชาขึ้นมาเราเอาแบบใกล้ๆหรือจอๆหรือว่าเอาเป็นตัวหลักเพื่อจะได้มองทะลุเข้าไปเราพูดสูงก่อนนี่มันดีในแง่ที่ว่าเราจะเอาระดับสูงนี่ไปชำระอันระดับ้างล่างเพราะว่าพวกเรานี้ก็ค่อยๆทำจาก้างล่างขึ้นมาค่อยๆ ค, ค, ค, คลานขึ้นมา ส่วนพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ธรรมะแล้วก็แสดงจากข้างบนลงไปข้างล่างนะแสดงแบบผู้รู้ส่วนพวกเราทําแบบผู้ไม่รู้คลานขึ้นมานะฉะนั้นถ้าได้เอาธรรมะชั้นสูงมาฟังก่อนแล้วเข้าใจดีมันก็จะไปชําระข้อปฏิบัติพื้นฐานของเราได้ง่ายนะก็การปฏิบัติเราก็มุ่งเน้นเพื่อที่จะละนิวรณ์การจะละนิวรณ์ได้ก็ต้องเจริญโพชิชงเจตนะเจริญ มีองค์ประกอบสําหรับการตรัสรู้อันนี้จึงต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราก็ไปชําระข้อปฏิบัติอื่นๆข้างล่างว่าที่ปฏิบัติข้างล่างทั้งหมดนี้นะเพื่อตรัสรู้นะเพื่อเห็นสัจธรรมเพื่อยอมรับสัจธรรมนะถ้าไม่ใช่เพื่อการนี้ก็แสดงว่าผิดทางนะเป็นศีลับตาปรามาศนะอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้ามุ่งมาเพื่อตรัสรู้รู้สัจธรรมนะก็ถูกแม้แต่ ตักบาตรหนึ่งทพีให้ทานเล็กเล็กน้อยถ้าทําถูกต้องก็เป็นไปนิพพานก็ถูกต้องนะทีนี้ถ้าทําผิดต่อให้นั่งสมาธิจนได้ฌานนู่นสมาบัตแปดเลยก็ยังผิดนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านก็ต้องรู้จักให้ดีๆจะได้ทําถูกต้องเป็นไปเพื่อละอิเลสนะอย่างนี้ก็ตัวที่จะช่วยละนิวรณ์ได้อย่างแท้จริงไม่ให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นก็คือพุทชงนั่นเอง นะให้รู้จักดีๆนะเพราะเพราะว่าพวกเราโดยมากก็เข้าใจหลักธรรมดีๆเยอะแต่ว่ามันก็ดีในแบบดีมันก็เลยไม่เหนือโลกสักทีวันนี้ก็เลยมาพูดให้ให้แบ่งกันให้ให้เห็นชัดขึ้นเพิ่มเติมนะเพราะว่าอย่างพวกเราทั่วไปถ้าละนิวรณ์ก็ต้องสมาธิว่านั้นไปนะต้องมีวิตกวิจารณปีติสุขเอขขตาอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งก็ถูกแล้วแหละก็ไม่ผิดนะก็ถูกถูกทีเดียวแต่ว่า มันก็ไม่เหนือถูกขึ้นไปส่วนโพดชงนี้มันเหนือกว่าถูกอีกมันตรัสรู้เห็นไหมตรัสรู้นี่มันเหนือกว่าถูกอีกนะมันเหนือกว่าอย่างนี้พวกเราต้องทําแบบเหนือนะมาแบบเหนือเมฆซะหน่อยนะต้องทําแบบเหนือเมฆไม่ใช่ทําอยู่ในเมฆเดี๋ยวเมฆมันวุ่นวายนะทําแบบเหนือเหนือขึ้นบแบบเหนือโลกแบบโลกุกตระนะก็คือต้องทําเพื่อเห็นอริยสัจสตอนมรรคเกิดขึ้นวิชาเกิดนี่แหละเหนือโลก แต่ก่อนมันก็ต้องทําแบบเหนือโลกนี่แหละทำให้มันถูกต้องนะครับทํานองนี้นะฟังธรรมก็ต้องฟังแบบเหนือโลกนะฟังนะแบบเหนือโลกก็คือไม่ได้ฟังเอาบุญนะฟังให้เกิดความเข้าใจฟังให้ได้แก่นสาระไม่ได้ต้องการฟังเยอะหรือฟังน้อยแต่ฟังให้มันเข้าใจให้มันชัดถ้าชัดเนี่ยจะมากจะน้อยชัดก็คือชัดจบนะถ้ายังไม่ชัดเนี่ยมันก็จะฟังเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ชัดอยู่ดีนะอย่างนี้ จึงไม่มีประเด็นว่าต้องเรียนมากเรียนน้อยเท่าไรอะไ ร, อ, ะไรอย่างไรปฏิบัติก็เหมือนกันไม่มีประเด็นว่าโอ๊ยปฏิบัติวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนะต้องดูที่สาระดูที่แก่นเป็นหลักนะอย่างเช่นฝึกสติก็ดูแก่นว่าได้สติไหมรู้ตัวดีไหมรู้ตัวเองไหมมองตัวเองเป็นไหมมองเข้ามาข้างในมองออกไหมเติมต จ, จากมองร่างกายก่อน แล้วมองลึกเข้าไปในร่างกายนี่ก็มีเวทนาอีกมันอยู่ด้านจิตลึกเข้าไปในจิตอีกมีสิ่งต่างๆอยู่ในนั้นลึกเข้าไปมองอย่างนี้ได้ไหมให้มันชัดเจนทํานองนี้นะครับการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นการพูดอีกนัยหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นมองข้างในมองด้านในก็แล้วแต่จะพูดนะคําพูดก็ยักเยอกไ ด, ได้ถ้าเข้าใจตรงแล้วก็ใช้คําได้ตามอัถยาศัยนะ ก็ทำสมาธิกรรมฐานก็มีเยอะแยะกรรมฐาน40อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ต้องกรรมฐานเยอะนักก็ได้ก็บางท่านยิ่งเรียนเยอะก็ยิ่งงงนะไม่รู้จะใช้อันไหนนะบางท่านไม่เรียนก็งงอีกนะตกลงมันมีกี่อันเอาไม่ยอมเรียนช่วยไม่ได้พอเรียนได้สีแล้วทําไมมันเยอะแท้จะใช้อันไหนนะมันก็ลำบากเนาะนะก็เราก็ดูแก่นสารสาระของสมาธิก็คือทําให้จิตมั่นคงตั้งมั่นเท่านั้นแหละอันไหนก็ได้ ความจริงไม่ต้องทํานั่งฟังทำแล้วก็มันตั้งมั่นดีมันก็ได้สมาธิก็ไม่ต้องไปนั่งอย่างนี้นะทีนี้ต่อให้นั่งแต่ไม่เคยได้สมาธิเตี้ทีนั่งแล้วหลับอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ก็ชักจะใช้ท่านั่งไม่ได้ก็ต้องไปท่าเดินจงกรมหรืออื่นๆก็ว่ากันต้องปรับเอาอะไรเอานะจะมาทนนั่งบางท่านก็นั่งทนนะนั่งทนมากก็คือนั่งที่ไรก็หลับทุกทีแต่ก็นั่งอยู่นั่นแหะเป็นยี่สิปีนะอันนี้ก็ ไม่เรียกทำกรรมฐานอันนี้เขาเรียกว่านั่งทนไม่รู้ทนอยู่ได้ยังไงก็ยังไม่ทราบคือไม่ดูสาระไม่ดูแก่ฑสารอะไรเลยกะจะเอาปริมาณอย่างเดียวเอาชั่วโมงอย่างเดียวนะบางท่านก็เวลาเดินจงกลมนี่นับชั่วโมงนะวันนี้ได้กี่ชั่วโมงติ๊กเข้าไปวันนี้ได้กี่ชั่วโมงติ๊กเข้าไปโอ้เข้าท่าดีเหมืนอนกันนะอ่าเนี้ยก็ดีอยู่แต่ว่าอันนี้มันยังไม่ใช่สาระพวกเราต้องได้สาระเนี้ยได้สตินะวิธีที่ผมแนะนําเนี่ย วันนี้ก็มีทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งก็ดูเอาสาระนะไม่ได้ดูเอา้อวิธีเทคนิคต่างๆก็ปรับกันได้ได้สติไหมสมาธิปัญญานะอย่างนี้การพิจารณาในแนวปัญญาก็มีทั้งพิจารณาแบบขันก็ได้แบบอาญตนะวันนี้มาพูดเรื่องปฏิจจะเนี่ยก็ที่สําคัญคือได้ปัญญาไหมได้รู้ความจริงยอมรับความจริงได้ไหมยอมรับสัจจะไหมนั่นแหละเป็นหลักเลยทีเดียว อย่างนี้นะครับเอาละวันนี้ได้มาบรรยายแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติเล็กเลกน้อยน้ยก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับนุมโมทนาทุกท่านครับต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านอุทิศส่วนกุศล น, นะครับว่าตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวง์ทุกๆพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงและขออุทิศส่วนกุศล ให้แก่บุพการีบบารมีมารดาบิดาเป็นต้ น, น, ตนแก่ญาติและมิตรสหายผู้ ล, าาล่วงรับไปแล้ ว, ลลวตลอดจนเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศ ล, โ, ศลโดยทั่วกันเถื น, น, ถนต่อไปก็เชิญทุกท่านกราบลาพระนะครับ น, นั่งทากลาบพระว่าพร้อมกันเลยนะครับอระหังสัมมาสัมบุโทโธภะคะวา พุทธังภะขวันตังอะภิวาเดมีสวาคาโตภะขวตาธรมโมธัมมบังนัมสามมิ สุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังขังนะมามี